ต่างอยู่เป็นสุขเคารพความดีของกันและกันและในสังคมนี้เราคงต้องพบกับคนทั้งสองประเภทคือผู้ที่ฝักใฝ่หมกมุ่นหวังพึ่งเทวดาและผู้ที่ไม่เชื่อถือมีจิตกระด้างขึงเคียดเหยียดหยามทั้งต่อเทวดาและผู้นับถือเทวดาต่างวิวาทขัดแย้งกันเรามีโอกาสก็พึงชักจูงคนทั้งสองพวกนั้น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 ส่วนเรื่องอิทธิปาฏิหารและสิ่งมงคลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็พึงปฏิบัติอย่างเดียวกันเปลี่ยนแต่เพียงท่าทีแห่งเมตตาเป็นท่าทีแห่งความมีพลังจิตสร้างฤทธิ์และมงคลให้เกิดมีเป็นของตนเองฤทธิ์ที่ควรสร้างได้ตั้งแต่เบื้องต้นก็คือความเพียรพยายามบากบั่นเข้มแข็งพร้อมทั้งความหนักแน่นในเหตุผลซึ่งเป็นแรงบันดาลความสําเร็จแห่งกิจหน้าที่ มงคลก็คือคุณธรรมและความสามารถต่างๆที่ได้ปลูกฝังสร้างขึ้นอันเสริมส่งและคุ้มนำไปสู่ความสุขความเจริญและความเกษมสวัสดีเรื่องนี้ดูได้จากมงคลละสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่25ทางด้านพระภิกษุผู้สัมพันธ์กับประชาชนในฐานะผู้นำทางจิตใจ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 สภาพปัญหาอย่างหนึ่งในปัจจุบันก็คือพระที่เก่งทางอนุศาสนีก็มักไม่เอื้อเฟือเอ็นดูแก่พระพวกอื่นที่ยังอาศัยสิ่งจูงล่อฝ่ายพระพวกอื่นนั้นก็มักไม่ใส่ใจอนุศาสนีชนิดนําออกบ้างเสีเลยหรือไม่ก็มัวเพลินหมุนวนอยู่ที่เดิมอย่างเดียวไม่ยอมเดินหน้าพวกที่เห็นแก่ลาบไม่ต้องพูดถึงเมื่อเป็นเช่นนี้ จุดประจบประสานจึงไม่มีผ่าให้ชาวบ้านสับสนหรือถึงกับแตกสามคัคคีดูถูกยามเยียดและขึ้นเคียดต่อกันสำหรับอิทธิปาฏิหารเป็นอันตัดไปได้เพราะมีพุทธบัญญัติห้ามเวลาว่าไม่ให้พระสงค์แสดงแก่ชาวบ้านคงเหลืออยู่แต่มงคลหรือสิ่งที่จะให้เกิดมงคลเบื้องแรกที่สุดจะต้องกาหนดแน่วแน่เป็นเครื่องป้องกันตัวไว้ก่อนว่า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 เช่นเกี่ยวข้องกับฤทธิ์เพื่อช่วยให้เขาเป็นอิสระจากฤทธิ์และเพื่อความเป็นอิสระตามข้อที่หนึ่งนี้ข้อที่สองจึงตามมาว่าเมื่อเริ่มจุดตั้งต้นณนที่ใดจะต้องพาเขาเดินหน้าจากจุดนั้นเรื่อยไปจนกว่าจะถึงจุดหมายคือความเป็นอิสระจะถอยหลังไปจากจุดนั้นอีกไม่ได้และตามนัยยะของข้อที่สองนี้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 นอกจากนี้ควรพยายามเน้นให้ปฏิบัติตามพุทธานุญาตที่ว่าทำต่อเมื่อเขาขอซึ่งจะเป็นการกระชับขอบเขตให้รัดตัวเข้ามาอีกข้อที่สซึ่งไม่อาจลืมได้คือต้องให้อนุศาสนีชนิดนำออกเสมอในเมื่อได้โอกาสเพื่อทั้งเร่งรัดและกำชับให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย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 หรือจะมัวรีรอไม่ลงมือทาคือหลักทำการด้วยความเพียรตามเหตุผลปฏิบัติถูกต้องคือเดินหน้าเป็นชาวพุทธคือไม่หยุดพัฒนา จากความผ่อนปรนนี้ความสัมพันธ์และวิธีปฏิบัติเท่าที่พอจะเป็นไปได้จึงมีดังนี้ 1. เกี่ยวข้องกับอิทธิปาฏิหาริย์ตลอดถึงสิ่งมงคลได้โดยพยายามทำสิ่งเหล่านี้ในความหมายใหม่ที่สามารถทำได้ด้วยตนเองเช่นธรรมริษฐอริยาธิษและมงคลที่เกิดจากการประพฤติธรรมเป็นต้น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 2. สัมพันธ์กับเทพเจ้าทั้งหลายโดยวิธีอยู่ร่วมกันในวงเล็บเกือบเท่ากับต่างคนต่างอยู่โดยวิธีอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาเกื้อกูลกันด้วยไมตรีผ่อนลงไปอย่างมากที่สุดจนถึงการยอมรับการทําเทวตาภลีคือของถวายแกเทวดาหรือแผ่ส่วนบุญอุทิศแกเทวดา ในความหมายว่าเป็นการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรืออุปการะแกเทวดาไม่ใช่บนบานอ้อนวอนหรือขอให้โปรดปรานสำหรับเรื่องเทวตาพลีมาในพระไตรปิฎกเล่มที่21และ22ซึ่งเคยอ้างแล้วเป็นพลีอย่างหนึ่งในพลีหที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นชอบให้เขา้ารหัดกระทรรมอีกสคือญาติพลีสงเคราะห์ญาต อิติทิพยพลีต้อนรับแขกบุเปตะพลีทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงรับราชพลีบำรุงราชการเช่นเสียภาษีพลีนี้เป็นคำหนึ่งในบรรดาคำเดิมของศาสนาพราหมณ์น้อยคำที่พระพุทธเจ้าทรงยอมให้ผ่านเข้ามาในพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธศาสนายอมรับเข้ามาใช้โดยเกือบไม่ได้เปลี่ยนความหมายเลย คำอื่นที่นำมาใช้แต่เปลี่ยนความหมายใหม่ทีเดียวเช่นยันตะบะเป็นต้นทั้งนี้เพราะพลีแต่เดิมมามีความหมายเป็นการสละให้เพื่อเกื้อกูลหรือบำรุงเลี้ยงดูอยู่ด้วยแล้วรวมกับความหมายว่าบูชาพลีในศาสนาพราหมณ์นั้นเขาให้แก่เทวดาผีคนตลอดถึงนกและสัตว์อื่นๆสิ่งที่ให้เป็นพลีได้แก่อาหาร เช่นข้าวแล ะ, ปะเปรียงเป็นต้นตลอดจนดอกไม้น้ำหอมทูกไม้จันมาเครื่องเทศเป็นต้นในรัตนสูตรมีข้อความแนะนำเชิงสอนหรือเชิงชวนเทวดาให้สร้างเมตตาคุ้มครองรักษาหมู่มนุษย์ซึ่งทำผลีให้ทั้งกลางวันกลางคืนอธิคถาขยายความไม่เห็นว่าการแผ่ส่วนบุญให้หรือให้มีส่วนร่วมในการทาความดี คือปฏิทานก็เป็นความหมายแบบพุทธอย่างหนึ่งของพลีและที่บาลีแนะนำอย่างนั้นหมายความว่าพวกมนุษย์ปีอุปการะแก่พวกเทวดาเทวดาผู้ได้รับพลีจึงควรมีความกตันอยู่ช่วยคุ้มครองรักษาพวกมนุษย์สัมพันธ์กับเทพเจ้าทั้งหลายโดวยวิธีอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาเกื้อกูลกั น, กนด้วยไมยตรีผ่อนลงไปยังมากที่สุด จนถึงยอมรับการทําเทวตาพลีในความหมายว่าเป็นการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรืออุปการะแก่เทวดายิ่งผ่อนปรนให้มากก็ยิ่งจําเป็นจะต้องย้ําข้อเตือนสํานึกไว้ให้หนักแน่นไม่จําเพาะชาวบ้านจะต้องคอยเตือนตอนเองเท่านั้นแม้พระสงฆ์ก็ควรช่วยเตือนชาวบ้านบ่อยๆเพราะชาวบ้านมีโอกาสใกล้ชิดสภาพแวดล้อมทางธรรมน้อยและมีกิจของคารวะวุ่นวาย คอยชักให้แชร์เฉิญได้ง่ายข้อเตือนสำนึกที่ว่านั้นก็คือจะต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าตนยังอยู่ระหว่างกำลังพัฒนาขณะนี้อยู่ที่ขั้นนี้ต้องระลึกไว้ว่าแม้ว่าขณะนี้ยังยุ่งเกี่ยวกับเทวดายังยุ่งเกี่ยวกับมงคลแต่ก็หวังอยู่เสมอว่าจะก้าวไปสู่ขั้นแห่งความเป็นอิสระสักวันหนึ่งถ้าพูดอย่างรวบรัดก็คือ จะต้องสำนึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องเดินหน้าไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่คำว่าเดินหน้ามีความสําคัญเป็นพิเศษสำหรับพัฒนาการในอริยธรรมขั้นต้นเพราะมินเมที่จะตกลงไปจากความเป็นสมาชิกในชุมชนชาวพุทธถอยหลังกลับไปอยู่ในชุมชนก่อนอริยได้ง่ายเหลือเกินเพราะในขั้นต้นสุดนี้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 คือหล่นจากสมาธิกภาพในชุมชนพุทธถอยกลับไปอยู่นอกชุมชนอริยะน่ากลัวว่าจะได้เป็นกันมาเสียอย่างนี้หลายครั้งแล้วดังนั้นคำว่าเดินหน้าจึงเป็นข้อเตือนสํานึกสาคัญที่จะต้องมาด้วยการเสมอกับความสํานึกในท่าทีที่เป็นขอบเขตของการปฏิบัติสําหรับทางออกที่ดีสําหรับผู้ยังหวังอนานาจดนบันดาลดูบันทึกพิเศษท้ายบท เมื่อใดเดินทางก้าวหน้าถึงขั้นที่สเมื่อนั้นจึงจะปลอดภัยแท้เพราะได้เข้าอยู่ในชุมชนอริยะเป็นโซดาบันขึ้นไปไม่มีการถอยหลังหรือลังเลใดๆอีกมีแต่จะเดินหน้าอย่างเดียวเพราะเข้าถึงความหมายของพระรัตนตรัยมั่นใจในความเป็นไปตามเหตุผลจนมีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวไม่ต้องอ้างอิงปัจจัยภายนอกไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวริษใดๆ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 ซึ่งอิทธิพลภายนอกไม่อาจมาครอบงมชักจูงได้เพียงเท่านี้เป็นความประเสริฐเพียงพอที่เทพเจ้าเหล่าเทวดาจะบูชานกไหว้และพอที่จะให้ชีวิตของผู้นั้นเป็นอุดมมงคลคือมงคลอันสูงสุดอยู่แล้วในตัวมนุษย์เป็นยอดแห่งสัตว์ที่ฝึกได้เรียกอย่างสมัยใหม่ว่ามีศักยภาพสูงสามารถฝึกได้ทั้งทางกายทางจิต และทางปัญญาให้วิเศษทำอะไรอะไรได้ประนีชวิจิตพิสดารแสนอสัศจรรย์อย่างแทบไม่น่าเป็นไปได้พึงสังเกตว่าศัพทธรรมะที่หมายถึงการฝึกฝนอบรมมีมากมายเช่นธรรมะภาวนาวินัยะวินิตะศิขาเป็นต้นแต่น่าเสียดายว่าในสมัยต่อๆมาความหมายของบางคำได้แปรเปลี่ยนจากเดิมผิดไปไกล การมัวเพลินหวังผลจากฤทธานุภาพและเทวานุภาพโดนบันดาลก็คือการตกอยู่ในความประมาทละเลยปล่อยให้ศักยภาพของตนสูญไปซื้อเปล่าและจะไม่รู้จักเติบโตในอริยมรรคส่วนผู้ใดไม่ประมาทไม่รีรอเร่งฝึกผนตนไม่หยุดยัง้งผู้นั้นแหละจะได้ทั้งอิทธิฤทธิและเทวริทธิและจะบรรลุสิ่งเลิศล้ำ ที่ทั้งริธานุภาพและเทวานุภาพไม่อาจอำนวยให้ได้